6. ชัฏทนัย 6. สัมปโยควิปโยคาปทานิเทศ 1. ขัน2องร้ปรูปขันสัมปยุทธเดียขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธวิปยุทธจากการอายตนะและธาตุเท่าไร วิปยุทธจากขันห้าอายตนะหธาตุเและวิปยุทธจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน2องเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสัมปยุทธด้วยขันสามอายตนะหธาตุเและสัมปยุทธด้วยอายตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร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 สอายตนะ2 3งจากขาอายตนะโพธพาอายตนะสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันสี่อายตนะ1นธาตุเและวิปยุทธจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วน232 มนายตนะสัมปยุทธ์ด้วยขันสามและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วน 3. ามธาตุสองาจักขุดธาตุโพธพธาตุสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไร ไม่มีการสัมปยุติวิปยุติจากขันอายตนะละธาตุเท่าไรวิปยุติจากขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน234จักกูวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาติสัมปยุติด้วยขันสามและสัมปยุติด้วยอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุติจากขันอายตนะละธาตุเท่าไร วิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหบางส่วน 4. สภาวธรรมมีสัจจะเป็นต้น235ร้อยสามสิบห้าสมุรทยรยมัคคสั์สัมพยุทธด้วยขันสามอายตนะหธาตุหนึ่งและสัมพยุทธด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึธาตุหบางส่วน วิปยุตยจากขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่วิปยุตยจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุตยจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองนิโรธสัตว์จักขุนสกายินรี่อิทธินสี่ปุริสินสสัมปยุตยด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ไม่มีการสัมปยุตย วิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเจ็และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองร้อยมนิบเีนสีสัมปยุตด้วยขันสามและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสบ ธาตุสิะวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วนตอ้อยสามสุขิน4ทุกขิน4โสมนัสสินสโทมนัสสินสี่สำปยุตด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่ง อายตนะสิบทาสิบหและวิปรยุทธ์จากอายตนะหนทาหนึบางส่วน239อยสเอุเปกินจีสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะ1นึ่งทาหกและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะ1นทาหนึบางส่วนวิปรยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปรยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะ10บทาสิ1เและวิปรยุทธ์จากอายตนะ1นทาหนึ บางส่วนสองร้อยสี่สิบสัตตินสีวิริยินทรีเสตินรีสมาธินสีปัญญินรียอนัญญาตัญยศสามีตินรียอัญยินรีอนยอัญญาตาวินทรียอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปจัจจัยสัมปยุทธเดชขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธเดยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน วิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ 3, 3. 3. ่งอายตนะสิธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วน241วิญญาณที่เกิดเพราะมีทั้งขันเป็นปัจจัยสัมปยุตด้วยขันสามและสัมปยุตด้วยอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10 ธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน242รัสสะที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสัมปยุทธ ด, ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุเและสัมปยุทธ ด, ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร่ วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วน243เวทนาที่เกิดเพราะมีพัสสะเป็นปัจจัยสัมปยุตด้วยขันสามอายตนะ1นธาตุเและสัมปยุตด้วยอายตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิบ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 วิปยุย์จากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุย์จากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบกและวิปยุ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน245รบูปภพสัมพยุย์ด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสรัมปยุ์วิปยุย์จากขันอายตนะและธาตุเท่าไร ไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุสา246องร้อยสี่บหูปภพเนวสัญญาณาสัญญาภพจะตัวการะภพสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุสิ และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน2อ7อยสัญญาภพเอกโวการภพปริเทวสัมปยุต ด, ด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันสี่อายตนะหนึ่งและธาตุเ และวิปยุตจากอายตนะหนึธาตุหบางส่วน2อ8รสโโกะทุกขโทมานต์สัมปยุต ด, ด้วยขันสามอายตนะ1นธาตุหและสัมปยุต ด, ด้วยอายตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุตจากอายตนะและธาตุเท่าไหร่วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิ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 ธาตุสิและวิปยุตจากอายตระ1นธาตุหบางส่วน250อิทธิบาทสัมปยุตได้ขันสองและสัมปยุตได้ขันหนึอายตระหธาตุหบางส่วนวิปยุตจากอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตระ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตระ1นธาตุหบางส่วน 2อ1ยาสชาญสัมพยุทธ์ไดขันสองอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมพยุทธ์ไดขันหนึ่งอายตนะหธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุและวิปยุทธจากอายตนะ1ธาตุหนึ่งบางส่ว น, น, น252อับปปมัญญาอินรีหพละห เจอริยมัติมีองค์8สัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุสและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน253 พัสสะเจตนามนสิการสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุเจและสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขนันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน254เวทนา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 และสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุทธจากอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน256อัห้ิธิโมกสัมปยุทธด้วยขันสามอายตนะหธาตุสและสัมปยุทธ ด, ด้วยขันหนึ่งอายตนะหธาตุหนึ่งบางส่วน วิปยุตยจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตยจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตยจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 5. ติกะ257สภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสัมปยุตย์ด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตย วิปยุจจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน258สภาวธ ร, รรมที่สัมปยุจด้วยสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยทุกขเวทนาสัมปยุได้ขันหนึ่งและสัมปยุจด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน วิปยุตจากขนันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 9, สอสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสัมปยุตด้วยขันหนึ่งและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน วิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองรสภาวธรรมที่เป็นวิบากสมัมปยุตได้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่ง อายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน261สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสัมพยุตได้ขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมพยุตวิปยุตจากขันอายตนะ และธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ 1, ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสาัรรมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไร ไม่มีการสัมปยุตยิวิปยุตยิจากขันอาญาตนะและธาตุเท่าไหร่ไม่มีขันและอาญาตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตยิแต่วิปยุตยิจากธาตุห้าสอสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุ ป, ปาทานสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส สัมปะยุทธ์ด้วยขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปะยุทธ์วิปยุทธจากขนันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีขันและอาญาตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุทธแต่วิปยุทธจากาธาตุหกสอสภาวธรรมที่มีทั้งมิตรกพระวิจารสัมปยุทธด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและาธาตุหนึ่งบางส่วน วิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเทไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสัมพยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขัน อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิ 16, และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน266สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สัมปยุตเด็กขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุต แต่วิปยุตยจากธาตุหนึ่งสองสภาวธรรมที่ถหรคตด้วยสุขสมปรยุตได้ขันหนึ่งและสำปรยุตได้อาย 1, าตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุตยจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตยจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วน268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 สภาวธรรมที่เป็นมหกคตะสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันและอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิบและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสอรสภาวธรรมที่เป็นอัปปามานะสภาวธรรมชั้นประนีต สัมปยุทธ์ด้วยขันอาญาตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธจากขันอายตนาและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอาญาตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุทธแต่วิปยุทธจากธาตุหกสอสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์สัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ วิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน272สภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน สภาวธรรมที anyway, ่มีสภาวชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีมักเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีมักเป็นเหตุสภาวธรรมที่มีมักเป็นอธิบดีสมปยุทธ์ด้วยขันอายตนาและธาตุเท่าไรไม่มีการสมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนาและธาตุเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนสิธาตุ และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน273สภาวสธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสัมปยุต ด, ด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุห้าส สภาวธรรมที่มีอดีตทำเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอนาคตทำเป็นอารมณ์สัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนะและาธาตุเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุสิและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสอง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 และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน276สภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สัมพยุตเ ด, ดวยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมพยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขัน4อายตนะหนึ่งธาตุ และวิปยุตจากอายตนะหนึธาตุหนึ่งบางส่วน 6. ทุกกะสองดสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุ marca. และมีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสรรมัมปยุตด้วยเหตุสัมปยุตด้วยขั น, ส า, รรนสามอายตนะ1นธาตุหนึ่งและสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไหร่ วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาติสิและวิปยุตจากอายตนะ1นธาติหนึ่งบางส่วน278สภาวธรรมที่มีเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาติเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาติเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาติสิ และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสอสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่สัมพยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสัมพยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ1ธาต right anyway? ุ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 วิปยุ 4, 1, ตจากขันสอายตนะ1นธาตุและวิปยุ 1, ตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน281สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระสัมพยุตได้ขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมพยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุ282 สภาวธรรมที่เป็นอาสวะสภาวธรรมที 1, os, itos, force, ่เ <executing> ป <commandments> <im> ็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิ และวิปบยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบาง ส, mentor, ส่วน283สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่วิปบยุทธจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสัมปยุทธด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธวิปบยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหน ที่จะวิปรุตรแต่วิปยุตจากธาตุหก8 4สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร่วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปรุตรจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน 285สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและาธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขัน 1, อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปย <BTS. S 1> ุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน286สภาวธรรมที่เป็นสังโยตสภาวธรรมที่เป็นคันทะ สภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นปรามาตยสภาวธรรมที่เป็นปรามาตยและเป็นอารมณ์ของปรามาตยสัมพยุดด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมพยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุดจากขันอายตนะ um, และธาตุเท่าไหร่ วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ MM ่งบางส่วนส8 7สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปารมาสภาวธรรมที่วิปยุตจากปารมาสและไม่เป็นอารมณ์ของปารมาสสัมปยุตได้ขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขัน อายตนะและธาตุเท th er, ่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิบยุตแต่วิบยุตจากธาตุหกสอดสิบสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิบยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิบยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุสิและวิปบยุตจาก อายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วนสองสิาสภาประธามที่รับรู้อารมณ์ได้สัมพยุดด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมพยุดวิปยุดจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุดจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุดจากอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วนสอง สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตสภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสัมปยุตด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 291สภาวธรรมที่เป็นจิตสัมพยุทธ์ด้วยขันธ์สและสัมพยุทธ์ด้วยอายตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุทธจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันธ์หนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน292สสภาวธรรมที่เป็นเจตสิก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 อายตนะและาธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน293สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสัมปยุตด้วยขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและาธาตุเท่าไร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 อายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ได้ขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะ1นธ า, 1, า, 1, า, าตุหบางส่วน295สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุทธจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 สัมปยุตได้ขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน300สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์สัมปยุตได้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุต วิปยุตจากขนันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากาธาตุหนึ่งสามสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สห ร, รคตด้วยปีติสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและาธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากาธาตุหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิ และวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน302สภาวธรรมที่สหระคตด้วยสุขสัมพยุตด้วยขันหนึ่งและสัมพยุตด้วยอายตนะ1นธาตุหบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไร ว, วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน303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 สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสัมปยุตได้ขันอายตนะและธาตุเท่าไรううไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขัน <ân> อายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสาสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจร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 และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในชัฏทนัย123บทธรรมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งทุกขสัตว์หนึ่งชีวิตินสี่หนึ่งสลายัตนะหนึ่งนามรูปหนึ่งภพใหญ่สชาติหนึ่งชารารหนึ่งมรณะหนึ่งนติกะ19บท ในโคจฉ ก, กะห้าสิบบทในจูรันตะทุ ก, กะแปดบทในมหันตะทุ ก, กะสิบห้าบทต่อจากนั้นอีกสิบแปดบทบทธรรม123ยบทนี้ไม่ได้ในฉัฏทนายสัมปโยควิปโยคปปะทะนิเทศที่หจบ